เขาบอกว่าเดินทางกันดารในทะเลทรายเนี่ยพกอาหารไปห่อเดียวก็มีประโยชน์ต่อร่างกายพกน้ําไปแก้วเดียวก็มีประโยชน์ถามว่ า, าพกเยอเยอะหรล่าก็ยิ่งมีประโยชน์ฉันใดบุญทั้งหลายก็มีประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและต่อต่ อ, ตอไปเพราะนัอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่การ เ, าเห็นได้ยินรู้กลิ่นอย่างไรที่จะนํามาซึ่งบุญกุศลมันการเห็นเหล่าใดที่นํามาซึ่งทหารบ้างการเห็นได้ยินเป็นต้นเหล่าใดที่นํามาซึ่งศีลนามาซึ่งการเจริญสมถะ ภาวนาวิปัสนาภาวนาการเห็นการได้ยินเหล่าใดนำมาเส่งการนอบน้อมบูชาพระตนะไตรการเห็นเหล่าใดมที่จะเกื้อกูลต่อการเจริญมงคนการเห็นการได้ยินเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อการอนุโมทนาบุญแบ่งบุญการเห็นเหล่าใดเป็นการเห็นแล้วเป็นการเสริมความรู้เป็นการฟังธรรมการได้ฟังอย่างไรเป็นการ ฟังทมการเห็นการได้ยินอย่างไรเป็นการให้ธรรมทานแล้วก็ปรับทัศนคติเจริญบุญยะยานะสามภาระให้เจริญ ง, งอกงามยิ่งๆขึ้นไปเพราะฉะนั้นสงครามชีวิตเนี่ยนะก็อยู่ที่จิตใจของของเราเนี่ยจะชนะจะแพ้ก็รับโทษแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะรับโทษแต่เพียงผู้เดียวจะเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็เพียงผู้เดียวจะตกนรกก็เป็นเรื่องผู้เดียวแต่ไม่ต้องกลัวเหงาวนะว่าตาไม่มีเหงาเพื่อนเยอะเนี่ยนะแต่เพื่อนแบบไหนก็ไม่รู้แล้ว เป็นคู่อะไรนะคู่ปานาติบาตคู่อาทินนาทานเป็นต้นกว่ากันไปมันจะไม่โดดเดี่ยวหรอกนะแต่ว่ามาเช็คให้ดีว่าประโยชน์ประโยชน์เนี่ยนะที่ควรได้รับปัจจุบันและต่อต่อไปพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีอินทรีย์สังวรอย่างเต็มเปี่ยมเนื่องจากพระองค์มีอินทรีย์สังวรนี่แหละพระองค์จึงแนะนำให้ผู้อื่นมีอินทรีย์สังวรเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สารวมในจักขุนี เรียกว่าเห็นรูปด้วยจักสุแล้วไม่ถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะนิมิตที่ก่อให้เกิดราคะโทสะและโมหะเพราะนิมิตเหล่านั้นนำมาซึ่งบาปอากุศลธรรมนำมาซึ่งความชั่วทางกายวาจาและใจแต่ถ้าสำรวมด้วยสติสัมปัญญา จะกาจะตามมาด้วยสมถะและวิปัสนาจะตามมาด้วยอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญานำมาซึ่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลนั้นพระองค์จึงให้สัมรวมตาสัรวมสังวรเนี่ยนะอันนี้เป็นชื่อของสติสัมปชัญญะเนี่ยนะสังวรตัวนี้แปลว่าปิดปิดบาปไม่ให้ไหลเข้ามาทาง ตาปิดบาปไม่ให้ไหลเข้ามาทางหูจมูกลิ้นกายและจ่ายปิดด้วยสติสตินี่คนที่มีสติก็ต้องระลึกว่าอะไรเป็นอริยทรัพย์ของเราเนี่ยนะอย่างทางโลกก็คือเขาระลึกถึงโภกทรัพย์การเห็นเขาของเขาจึงไม่เสียโภกทรัพย์การฟังของเขาจึงไม่เสียโภกทรัพย์เพราะเขาระลึกถึงโภกทรัพย์ฉันใดผู้ที่รักษาอริยทรัพย์ทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเห็นเมื่อได้ยินเป็นต้นให้ระลึกถึงอริยทรัพย์ไว้บ่อยๆ อ, อ, อันนั้นเรียกว่ามี สติแล้วก็สิ่งที่เห็นเนี่ยทำลายอริยทสัพย์เราไหมเนี่ยนะก็ต้องมีปัญญาวินิจฉัยแยกแยะอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมและเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นประตูอบายอะไรเป็นประตูสวรรค์ต้องมองให้ออกถ้ามองไม่ออกเรียกว่าบอดตาปัญญาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องรักษามันหน่อยนะถึงถ้ามันบอดมันก็ไม่มีประโยชน์ก็ต้องพยายามที่จะรักษาตาปัญญาอันนี้เนี่ยนะ ให้ให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปนั้นพระองค์เป็นผู้ที่มีอินทรีย์สังวรพระองค์เนี่ยมีอินทรีสังวรฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละพระองค์จึงแสดงธรรมเพื่อให้ผู้อื่นฝึกตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่นะฝันฝึกสังวรระวังให้ดีๆนี่นะสรุปว่าพ ร, พระพุทธเจ้ามีตาแต่พระองค์ไม่ใช่ตาใครที่จะเจริญศีลเนี่ยนะเจริญอ่า จรณะเนนะรละลึกถึงพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์มีร่างกายแต่พระองค์มีกายที่ไม่เป็นกายที่ไม่ไปทำบาปพระองค์มีวาจาพระองค์มีคำพูดมีการเปล่งออกมาแต่วาจาคำพูดของพระองค์ไม่พูดแล้วเปื้อนบาปพระองค์จึงมีกายสุจริตพระองค์มีวาจาที่เป็นวจีสุจริตพระองค์มีตาแต่ตาของพระองค์ไม่ได้ดูด้วย บาปแต่ดูด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาดูด้วยศีลสมาธิและปัญญาดูด้วยอาสาธารณะยานเป็นต้นพระองมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของพระองไม่ได้เกลือกกล้วด้วยบาปและอกุศลตรงกันข้ามดำรงอยู่ด้วยศีลสมถะวิปัสนาเนี่ยนะมันใครที่เห็นภาพพระพุทธรูปก็ระลึกถึงจารณะส้าเอาไว้เสมอว่า พระองค์เป็นผู้มีศีลเนี่ยนะมีศีลทางกายมีศีลทางวาจาพระองค์มีตาก็มีอินทรีย์สังวรพระองค์มีหูพระองค์ก็มีอินทรีย์สังวรมีจมูกมีลิ้นมีกายพระองค์ก็มีอินทรีย์สังวรพระองค์มีใจพระองค์ก็สังวรด้วยศรัทธาสังวรด้วยกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะสังวรด้วยสมถะเลวิปัสสนาสังวรด้วยคุณธรรมสังวรด้วยกุศลคุณงามความดีอย่างอื่นๆอีกมากมาย การเห็นพระพุทธรูปของเราก็จะเป็นการเห็นพระพุทธรูปที่จเจริญพุทธานุสติระลึกถึงพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะเนี่ยนะพระองค์มีวิชามีจารณะ <c oughs> นี่ต่อไปอีกเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลอินทรสังวรโภชเนมตัญยุตาปแปลว่าพระองค์รู้จักประมาณในการบริโภคนี่นะบริโภคปัจจัยสี่อธิบายว่าพระองค์เนี่ยรู้จักประมาณในการแสวงหา ปัจจัยสี่ว่าแค่ไหนจึงสมควรแก่สมณะสมณะทั้งหลายควรจะมีจีวรแค่ไหนควรจะมีอาหารแค่ไหนควรจะมีที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไรควรจะมียาแค่ไหนนั้นจึงรู้จักประมาณในการสแสวงหาปัจจัยและข้อต่อไปอีกสมณะทั้งหลายสมณะนี่แปลว่าอะไรผู้สงบบาปทั้งหลายสมณะแปลว่าผู้สงบบาปผู้สงบบาปทั้งหลายควรจะรับปัจจัยสี่ แค่ไหนผู้สงบบาป ท, ทั้งหลายควรจะ บ, บริโภคปัจใจสีแค่ไหนจีวรควรนุ่งห่มอย่างไรอาหารทั้งหลายควรขบฉันเพียงไหนและเมื่อขบฉันแล้วพิจารณาว่าอย่างไรเนื่องจากพระองค์มีโพชเนมตันยุตาเนี่ยนะพระองค์จึงไม่สแสวงหาปัจใจสีด้วยบาปประธรรมทั้งหลายะนะพระองค์จึงบริโภคปัจใจสีหม่มจีวรก็เพียงผ้าระลึกถึงผ้าปิดแผล นะหอมนุ่งหม่มผ้าก็ระลึกถึงผ้าปิดแผลเมื่อขบฉันอาหารก็ระลึกถึงการบริโภคเนื้อบุตรเมื่ออยู่ในที่อยู่อาศัยเมื่ออยู่ที่อยู่อาศัยก็ระลึกถึ ง, ถงว่าเพียงเพื่อสัมผัสเพียงเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากดินฟ้าอากาศเพื่อหลีกเล้นในการเจริญภาวนาบริโภคยาทั้งหลายก็เพื่อไม่ให้เวททุกขเวทนา เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งมันรู้ประโยชน์ในการใช้สอยปัจจัย4ี่ก็เลยเรียกว่าเป็นผู้ที่มี โ, โพเชเนมะตัญยุตาก็หมายถึงลักษณะของผู้ที่มีความสันโดษนั่นเองพระองค์จึงสันโดษตามมีตามได้สันโดษตามกําลังและสันโดษตามสมควรในจีวรในอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยนะอันพระองค์จึงไม่ทํำทุจริตไม่ทําบาปอากุศลธรรมทั้งหลาย เนื่องจากพระองค์เนี่ยมีความสันโดษหรือที่เรียกว่าบริโภชเนมตัญยุตาเนี่ยนะรู้ประมาณในปัจจัยสี่รู้ประมโดยยกโภชนะเป็นประธานเนี่ยเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยมีโภชเนมตันยุตารอบรู้ในปัจจัยทั้งหลายพระองค์จึงไม่ทําบาปประกรรมเพราะเหตุแห่งปัจจัยสี่พระองค์จึงสามารถบัญญัติศีลในเรื่องของปัจจัยสี่เอาไว้ได้เนี่ยนะเพราะพระองค์พ่อรู้จักประมาณ มัตตัญุตาเน네ี่ยนะมัตต์ตรงนั้นแปลว่ารู้จักประมาณแปลว่ารู้จักความพอดีรู้จักความเหมาะสมนี่ข้อต่อไปอีกเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ที่มีชาคริยานุโยคเนี่ยนะพระองค์มีชาคริยานุโยกก็แปลว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความตื่นตัวเนีใช้ชีวิตอยู่ด้วยความตื่นตัวไม่ใช่อยู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหลับไหลเนี่ยนะ ไอ้คาว่าหลับไหลเนี่ยบางคนเนี่ยตื่นอยู่แต่ถ้าตื่นด้วยบาปอากุศลก็ชื่อว่าหลับไหลตื่นด้วยขาดฮีริโอตาปะก็ชื่อว่าหลับไหลแต่พระองค์นเนี่ยตื่นด้วยสติและสัมปชญัญญะตื่นด้วยปัญญาเนี่ยนะพันพระองค์นเนี่ยจึงไม่ถูกนิวรณ์กลุ้มรุมเขาบอกว่าความหลับในอริยวิไนก็คือถ้าตื่นอยู่แต่ถ้าใจกเกลือกกล้วด้วยนิวรณ์ทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นคนหลับอยู่ทีนี้พระองค์นั้นตื่นเพราะนิวรณ์ทั้งหลายไม่กลุ้มรุม ชีวิตเช้าสายบ่ายค่าดึกปฐมยามมัชชิมยามปัจฉิมยามแห่งราตรีของพระองค์เนี่ยไม่เกลือกกลั้วด้วยบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเลยทั้นพระองค์จึงบําเพ็ญพุทธกิจพุทธกิจก่อนอาหารพุทธกิจหลังอาหารพุทธกิจตอนปฐมมยามมัชชิมยามและปัจฉิมยามกิจในการส่งเคราะห์เกื้อกูลเนี่ยนะกิจของภาวะของผู้ที่ดํารงอยู่ใน สถานะของพระพุทธเจ้าควรบำเพ็ญกิจเหล่าใดพระองค์ก็บำเพ็ญกิจเหล่านั้นด้วยความตื่นตัวด้วยความบริบูรณ์เพราะสิ่งใดที่ไม่มีประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยไม่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ได้มีความภาวะชาคิริยานุโยคประกอบตนเอาไว้ในภาวะของผู้ตื่นเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนหลับลุ่มหลงงมงายซึมเศร้าโง่เงาเป็นต้นเนี่ยไม่มีเลย มีแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยสติและปัญญาใช้ชีวิตแต่ละขณะแต่ละขณะอย่างรู้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพรันตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีของภาวะพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยความตื่นตัวอยู่ตลอดแต่ไม่ได้ตื่นเต้นนะตื่นเ ต, ต, ต้นอะไรไม่มีแบบอะไรนะใจสูงสูงต่ําๆแบบลักษณะนั้นไม่มีตื่นตุม่มแบบกระต่ายก็ไ ม, ม, ไม่มีไม่ตื่นตุ่มไม่ตื่นตุ่ไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่หวัน่นไหวแต่ว่าตื่นด้วย ศีลด้วยสมถะด้วยวิปัสนาเตื่นด้วยปัญญาเนี่ยนะตื่นด้วยคุณธรรมในการบริหารพระองค์เองให้เป็นสุขบริช่วยเหลือเกื้อกูลอนุเคราะห์สัตว์อื่นให้ได้รับประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยนะมันภาวะความตื่นตัวของพระพุทธเจ้าดูว่าพระองค์เนี่ยคืนตรัสรู้ไม่ได้หลับเลยได้หลับมคืนตรัสรู้ไม่หลับหลังจากนั้นเนี่ยนะวันแรกตรัสรู้ก็ไม่ได้หลับเลย อนั้นนั่งคอพับคอเอียงอะไรเป็นต้นเนี่ยไม่มีเั้นตลอดสี่สิบเก้าวันเขาไม่ได้หลับปนสัปดาห์ที่หนึ่งก็ไม่หลับสัปดาห์ที่สองก็ไม่หลับสัปดาห์ที่สามก็ไม่ได้หลับสัปดาห์ที่สี่ 6, ก็ไม่ได้หลับสัปดาห์ที่ห้าที่หกที่เจ็ดก็ไม่ได้หลับอยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาอยู่ด้วยพระสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ได้หลับเลยนะใช้ชีวิตแบบลักษณะคนเผลอเรอประมาทลุ่มหลงงมงายไม่มีเลย เลีหลังจากนั้นเน็ตพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดอนุเคราะห์สงเคราะห์เวนยสัตว์จวบจนปรินิพานแม้แต่คืนสุดท้ายก็ไม่ได้หลับนะนั่นคือภาวะความตื่นตัวของพระพุทธเจ้าคืนสุดท้ายแห่งราตรีพระองค์ไม่ได้หลับเลยแสดงธรรมแทบจะเกือบลมหายใจสุดท้ายเนี่ยนะนะแล้วก็เข้าฌานสมาบัติทั้งสมถะและวิปัสสนาจนดับขันธ์ปรินิพานพระองค์จึงใช้ชีวิตอยู่ด้วยความ ตื่นตัวใช้ชีวิตอยู่ด้วยฐานะของผู้ที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และก็นำประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์อย่างหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะพร ะ, พระองค์สมบูรณ์ด้วยชาคริยานุโยคนี้ต่อไปอีกเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ที่มีจรณะคือศรัทธาเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเชื่อความตรัสรู้ของพระองค์เอง คือคำว่าศรัท ธ, ธาเนี่ยนะศรัท ธ, ธานี่แปลว่าความเลื่อมใสแล้วก็ความผ่องใสที่ขจัดความเศร้าหมองหมนหมองจากนิวรนทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขณะที่นิวรนกลุ่มรุมขณะนั้นชื่อว่าไม่มีศรัท ธ, ธาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีจิตใจที่ผ่องใสเนี่ยนะเป็นใจที่ผ่องใสเป็นปสาทศรัทธา ศรัทธานี่มีประเภทอจลสัสศรัทธาภาษาธาศรัท ธ, ธาโอกัปณะศรัท ธ, ธาแต่ตรงนี้เน้นพิเศษคือศรัท ธ, ธาคือความเลื่อมใสแล้วก็ความผ่องใสไม่ขุนมัวไม่ตกตะกอนเนี่ยนะไม่ขุนมัวไม่หม่นมองไม่หมองมัวแต่เป็นความเลื่อมใสาภาษาไทยก็ใช้ตรงตัวเลื่อมก็แปลว่าอะไรก็คือเป็นมันน่ะนะใสล่ะเป็นมันที่ใสสะอาดนี่แหละใจใดที่ เลื่อมสายใจนั้นแหละเรียกว่าไม่ขุนมัวพระองค์เนี่ยระลึกถึงพุทธคุณพระองคุนมัวไหมอย่างนี้พระองค์ระลึกพระองค์ก็เจริญพุทธานุสติระลึกถึงพระคุณของพระองค์เองระลึกถึงอรหันตคุณของพระองค์เป็นต้นเนี่ยนะพระองค์พระพุทธเจ้าเองก็เจริญพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เคยมีมาแล้วในอดีตอนาคตและองค์ของพระองค์เองว่าพระองค์นั้นมีคุณธรรมเหล่าใดพระองค์ละอกุศลธรรมเหล่าใดพระองค์เจริญ กุศลธรรมเหลา่าใดเข้าถึงคุณธรรมเหลา่าใดพระองค์บำเพ็ญพุทธกิจเป็นต้นเหลา่าใดพระองค์ก็มีศรัทธาในาในพระองค์เองมีศรัทธาในาพระพุทธเจ้าในอดีตและอนาคตพระองค์มีความเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในปริยติธรรมที่สอนให้นําออกจากทุกพระองค์เลื่อมใสในปฏิบัติสัจธรรมพระองค์เลื่อมใสในปฏิเวทพระองค์เป็นผู้เลื่อมใสในอริยมรรคอริยผลและ พระนิพพานนั้นพระองค์เป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระธรรมและขณะเดียวกันเนี่ยนะบรรดาผู้ที่เลื่อมใสในพระสงค์มีศรัทธาในพระสงค์ไม่มีผู้ใดเลื่อมใสในพระสงค์เท่ากับพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยเลื่อมใสในภาษาริบุตรเลื่อมใสมากพภาษาริบุตรได้เป็นเอตทัคคะแต่ไม่ใช่ด้วยอคตินะด้วยศรัทธาเนี่ยนะด้วยปัญญาแล้วก็ด้วยศรัทธาานะพระองค์เนี่ยนะ เป็นผู้ที่เรียกว่าไม่มีริสยาอยู่ในใจมีแต่ความเลื่อมใสมีแต่ความผ่องใสในพระสาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวันพระ อ, องค์จึงบอกว่าในหมู่ บริษัทเนี่ยมีภิกษุผู้เจริญศรัทธาเอ่อเจริญสติปัฏฐานในหมู่บริษัทเหล่านี้มีผู้ภิกษุที่เจริญสัมมาปทานในภิกษุบริษัทนี้เจริญสัมมาปทานอิธิบาตอินทรีย์พระละโพชงองค์มักมีเจริญอาณาปานสติมีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นต้นในหมู่ภิกษุทั้งหลายที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบพระองค์ยกย่องชมเชยและสรรเสริญเนี่ยนะ